วันนี้เป็นวันมหามงคลของพี่น้องชาวจังหวัดอุดรและแถวใกล้เคียงตลอดถึงทั่วทั่วไปที่ได้ <c oughs> พร้อมใจกันมาสถานทีน่นี้มีพระสงฆ์จำนวนมากดังพี่น้องทั้งหลายได้เห็นนั่นแหละ <c oughs> ประสงค์จำนวนมากอย่างนี้มีน้อยมากมแล้ววันนี้เป็นโอกาสที่จะได้พูดอัดพูดทมให้ฝ่ายพระเจ้าประสงค์ซึ่งเป็นแนวหน้าของประชาชนทั่วไปให้ได้ยินได้ฟังได้ข้อวัดปฏิบัติจากครูจากอาจารย์ ซึ่งนานๆจะได้ฟังทีหนึ่งแล้วนำไปเป็นข้อคิดข้อปฏิบัติกำจัดสิ่งชั่วช้าระมกทั้งหลายออกจากกายวาจาใจของตน <c oughs> บรรดาพระสงฆ์ที่จะได้รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ๆอย่างนี้มีน้อยมากทั้งนี้ก็เนื่องจาก <c oughs> หลักใหญ่คือครูอาจารย์ที่จะให้โอวาตแนะนำสั่งสอนนั้นรู้สึกว่าร้อยหลอลงไปทุกวันทุกวันแต่พ่ออย่างยิ่งกรรมาฐานสายหลวงปู่ม่านเหล่านี้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ใหญ่ถ่ายทอดอาจรร ม, มาจากท่านมาแนะนำสั่งสอนบรรดาลูกศิษย์ ทั้งหลายดังที่เราเคยเห็นมานั้นเวลานี้ร้อยหรอลงมากทีเดียวแทบจะไม่มีเหลือเลยหาจะพูดให้ชัดเจนก็คือเวลานี้เท่าที่ทราบก็ยังเหลืออยู่เพียงสององค์เท่านั้นที่มีอายุพัรษามากก็คือหลวงตาบัวหนึ่งและอาจารย์เชีย่ยหนึ่ง ที่มีอายุพัรษามากนอกจากนั้นก็จะมีบ้างเล็กน้อย <c oughs> อันนี้แหละที่เคยอยู่กับท่านมาอาจารย์เชียรท่านเคยอยู่กับท่านมาก่อนเราอีกด้วยแล้วเราเป็นองค์ที่สองจากท่านเวลานี้ก็ยังเหลืออยู่เพียงเท่านี้ผู้จะแนะนำสั่งสอนอาถรรมให้บรร ด, ดาลูกศิษย์ลูกหา ทั้งหลายดังที่เคยปฏิบัติมาแต่ก่อนจากครูอาจารย์ทั้งหลายที่เป็นลูกจิบหลวงตาหลวงผู่มัน่นได้พาแนะนำสั่งสอนเวลานี้ก็ล่วงรับรับไปสมากต่อมากแล้วการประพืชปฏิบัติก็ต้องร่อยรอยลงไปเมื่อไม่มีผู้แนะนำสั่งสอน <c oughs> ให้ได้ยินได้ฟังอยู่เสมอ ธรรมะย่อมถิดจางไปได้ทิเลสก็นับวันจะเข้มข้นขึ้นมา <c oughs> ในศาสตร์สนาในพระในเนงเฉพาะอย่างยิ่งในวงปฏิบัติของเรายังขอให้พระลูกพระหลานทั้งหลายตั้งอกตั้งใจปฏิบัติเมื่อได้ยินได้ฟังอัตธรรมจากครูอาจารย์ไปแล้ว <c oughs> ขอให้ฟังให้ชัดเจนในท้อยคำทีพ่พระพุทธเจ้าประทานแก่พระอานนท์ว่าอานนท์พระธรรมและพระวินัยนั่นแหละจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายแทนเราตถาคตเมื่อเราตายไปแล้วนี่เป็นพระวาจารับสั่งแก่พระอานนท์ งขอให้เราทุกๆท่านอย่ามองข้ามธรรมนิยนคือองคศาสด า, าแทนพระพุทธเจ้าผู้ใดก็ตาม <c oughs> เมื่อมีสติแล้วจะมีความระมัดระวังตัวจากการได้เห็นได้ยินได้ฟังสัมผัสสัพพันธ์กับสิ่งใดสติมีอยู่กับตัวจะเข้าใจในสิ่งนั้นๆได้ดี จะไม่ลืมเนื้อลืมตัวไปอย่างง่ายดายชาติและลึกถึงอง์ศาสดาคือธรรมนิยเป็นเครื่อง <c oughs> เทิดทูนอยู่ภายในจิตใจอยู่สม่สำเสมอนี่เรียกว่าเป็นผู้มีครูเมียจารย์เรียกว่าลูกมีพ่อมีแม่ไม่ใช่ลูกกรมพระ ศาสตราของเรายังคงอยู่คือพระธรรมพระวินัยนี่แลเป็นทางก้าวเดินเพื่ออาจเพื่อทำเพื่อมากผลนิพพานจะไม่นอกเหนือไปจากสายทางคือธรรมและมีนายนี่เลยเราอยากคิดอุตริคุยขี่กิเลสขึ้นมาเป็นความรู้สดสดร้อนร้อนมาแข่งธรรมของพระบูตเจา้า ป้าหนึ่งว่าเป็นความรู้จรวดดาวเทียมความรู้เหล่านี้เป็นความรู้ของกิเลสทั้งมวลที่กําลังแทรกขึ้นมาในศาสนาเฉพาะอย่างยิ่งในวงพระวงเนรของเราโจนแทบมองไม่ทันเพราะไม่รู้ว่ากิเลสมันแทรกมาแบบใดแบบใดบ้างนี่แหละความห่างเหินจากสติ ที่ระลึกถึงองค์ศาสดาได้แก่พระธรรมินหน <c oughs> เราจะพราท่าเสียทีให้มันจนได้จึงขอให้พระลูกพระหลานทุกทุกทันอยู่ในป่าในเขาลำเนาไพรที่ไหนขอให้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติกรรมจัดกิเลสซึ่งเคยเป็นภัยต่อโลกมาเป็นเวลานาน ตั้งกับตั้งกันนับไม่ได้แล้วไม่เคยเปลี่ยนแปลงตัวว่ามาเป็นบุญเป็นคุณเป็นมิตรเป็นสหาย <c oughs> ฝึกฝากฝากเป็นฝากตาย <c oughs> กันได้กับสัตว์โลกนอกจากเป็นฆ่าศึกศัตรูต่อสัตว์โลกและทำตลอดไปเท่านั้น <c oughs> ยังขอให้ทุกทุกท่านล้ำลึกถึงตัวเสมอเลือมกมรรคผลนิพพานนั่นให้เอาการปฏิบัติของเรา <c oughs> <c oughs> ซึ่งได้ศึกษา เ, าเรียนมาจากธรรมอันเป็นแบบแปลนแผนผังตายตัวแล้วเพื่อมรขธนิพานมากลางเข้าที่หัวใจของเรา <c oughs> มีสติมีปัญญาพิจารณาไตรองก้าวเดินด้วยสังวรธรรม <c oughs> ความสังรวมระวังตนอยู่โดยสม่ำเสมออย่าลืมเนื้อลืมตัว <c oughs> การปฏิบัติของเราจะเป็นไปด้วยคาบ <c oughs> ด้วยความราบลื่นดีงามตาม <c oughs> สายทางแห่งธรรมและวินัยที่เรียกว่าสายทางแห่งศาสนาเพื่อมรดุผลนิพานตลอดไปผู <c oughs> ้อยู่ปฏิบัติในสถานที่ใดก็ตามขอให้ยึดหลัก <c oughs> ทำหลักวินัยนี้ไว้ให้ดีอย่าให้จืดจางศีล <c oughs> ร, รักษาให้ดี ศีลเป็นรั้วกัน้นทางที่จะปิดท้าบออกไปหาความผิดให้เกิดโทษขึ้นมานี่คือรั้วกัน้น <c oughs> ห้ามพระสงฆ์ไม่ <c oughs> ข้ามออกไป <c oughs> ถ้าข้ามหรือดื้อด้านหานทำฝืนทมฝืนวินัยก้าวข้ามทมข้ามวินัยออกไปก็เท่ากับ ก้าวข้ามหัวพระพุทธเจ้าไปแล้วก็ลงเหลวลงบอ่อได้แก่โทษแ ก, ก่กรรมศีลก็หาความบริสุทธิ์ไม่ได้อย่างน้อยด่างพร้อย <c oughs> ความด่างพร้อยไม่ใช่ของดี <c oughs> เป็นความเสียหายเป็นลําดับลำดาศีลด่างพร้อยก็คือเราเป็นคนด่างพร้อยพระด่างพร้อยพระไม่สมบูรณ์แบบ เป็นผ้าขาดบาดขาดตาเตงไปนี่ <c oughs> นิละการโทษแห่งการข้ามภวีไนของพระพุทิเจา้าเป็นความเสียหายเป็นลำดับลำดาจนกระทั่งถึงขั้นคอขาดบาดตายไม่มีชิ้นดีเลย ม, มีแต่ความล่มจมโดยสายเดียวเท่านั้นจ <c oughs> ึงขอให้พากันตั้งอกตั้งใจรักษาภวีไนให้เท่มวดกวดขันซึ่งเท่ากัน กับเรารักษา <c oughs> ทมนบใหญ่ที่จะบรรจุน้ำไว้อย่างดีน้ำคืออัดคือทำที่เราบำเพ็ญด้วยสมาธิด้วยปัญญาศรัทธาความเพียรแบบใดก็จะรวมลงในศีลเป็นรั้วกันศีลเป็นขอบเขตเป็นสะใหญ่ไว้ด้วยอีก <c> ศ <oughs> ีลเราไม่มีด่างพร้อยแล้วเราเป็นที่อบอุ่นอยู่ที่ไหนก็อบอุ่น ผู้มีศีลห้าก็อบอุ่นด้วยศีลห้าของตัวเอง <c oughs> มีศีลข้อใดด้วยความแน่นหนามั่นคงมีสัจจะความจริงต่อศีลของตนข้อนั้นๆเราก็มีความอบอุ่นภายในใจของเราเฉพาะพระเนเราให้สมบูรณ์แบบทุกสิกขาบทในศีลของเรา <c oughs> ท่านบัญญัติไว้ว่าศีลแปดศีล ส, สิบ ศีลสองรอยสิ็ดนี่รั้วแล้วตั้งแต่เป็นรู้รั้วกัน้นไม่ให้เราข้ามเกินออกไปหาอันตรายซึ่งอยู่นอกจากรั้วนั้นไปให้อยู่ภายในรั้วได้แต่ศีลของเราด้วยความสังรวมระวังเมื่อเรามีศีลสังรวมระวังอยู่เราจะมีความอบอุ่นด้วยศีลของเราอยู่ที่ไหนไปที่ใด อบุญตลอดเวลาเฉพาะนักภาวนาแล้ว <c oughs> สมัยก่อนมีสัตว์เสือเนื้อร้ายอยู่ในป่าในเขาจํานวนมากไม่เหมือนสมัยปัจจุบันนี้เช <c oughs> ่นอย่างเพียงสมัยหลวงตาเที่ยวกรรมฐ า, านอยู่สมัยนี้ก็สมบูรณ์ไปด้วยสัตว์เสือเนื้อร้ายป่าเขาลําเนาไพร <c oughs> ไปอยู่ที่ไหนจะไม่พ้นจาก การเจอสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้จนได้แล้วสัตว์เหล่านี้ที่น่ากลัวก็คือเสือหมีมีจํานวนมากอยู่ในป่าเรามีศีลเป็น <c oughs> ที่อบอุ่นใจเราแล้วไปอยู่ในที่เช่นนั้นเราก็ไม่กลัวศีลนี้บรรเทาความกลัวความววาดเวเสียได้ไม่สงใจหากว่าเราตายในเวลานี้ เราจะไป <c oughs> สวรรค์ได้ทันทีนั่นอำนาจแห่งศีลเท่านี้เป็นความอบอุ่นนน้นจิตใจให้เอิบอิ่มภายในความเป็นความตายของตัวเองไม่สะทกสะท้าน <c oughs> นี่เพียงมีศีลสมบูรณ์เท่านั้นเราอบอุ่นแล้วทีนี้เวลาเราบำเพ็ญสมาธิภาวานาคือสังรวมเข้านี่เป็นฝ่ายธรรม ศีลเป็นรั้วกันไม่ให้ออกนอกรูกนอกทางทมเป็นเครื่องบำเพ็ญตามสายทางดำเนินไปเพื่อสมถะธรรมเพื่อสมาธิธรรมเพื่อวิปัสสนาธรรมจนกระทั่งวิมุตติพ้นนี่คือสายแห่งธรรมที่เราจะก้าวดาเนินต่อไปนั้นก็ไม่มีความระแวงแคลงใจเพราะจิตของเรา เอาเพราะศีลของเราบริสุทธิ์แล้วไ ม, ไม่สร้างความระแวงแข่งใจเดือดร้อนแก่ตัวเองจิตก็รวมสงบลงได้ง่าย <c oughs> <c oughs> นี่เป็นพื้นฐานแห่งความเป็นพระของเราพราะเราจะเป็นพระสมบูรณ์แบบในเบื้องต้นต้องเป็นพระเป็นเดชที่มีศีลสมบูรณ์ <c oughs> อันนี้เป็นพื้นฐานของพระของเอง ถ้าศีลไม่สมบูรณ์แล้วไม่เรียกว่าพระเนนที่สมบูรณ์แบบเราเองก็ไว้ใจตัวเองไม่ได้ <c oughs> ต้องละแคะละกายสุดท้ายก็ว่าวินี่เป็นความเสียหายสำหรับผู้ไม่สังรวมในศีลของตนยังพาขอให้ทุกทุกท่านตั้งอกตั้งใจปฏิบัติเข่ ม, มวดขวดขันต่อศีลของเรา <c oughs> ให้มีศีลบริสุทธ ที่แล้วอยู่ที่ไหนก็อบอุ่นนอกจากนั้นก็ให้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติ <c oughs> ประกอบความภาคเพียร <c oughs> ตามทางของศาสร า, าที่ทรงสั่งสอนมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลจนกระทั่งปัจจุบันนี้แบบแผนตำรับตำราเป็นอันเดียวกันไมไ่มีการเปลี่ยนแปลงไปไหนเลย <c oughs> แบบแผนเหล่านั้นก็ <c oughs> เป็นไปเพื่อมรักผลนิพา น, ล, นล้วนนเล่าปฏิบัติตามแบบแปลนแผนผังคือธรรมที่ท่านแสดงไว้โดยถูกต้องแล้วนั้น <c oughs> ก็เรียกว่าเราก้าวเดินเข้าสู่มรักผลนิพานใกล้เข้าไปทุกถีจนกระทั่งถึงจุดสุดยอดแห่งธรรมไม่นอกเหนือจากแกรนคือพระธรรมวินัยนี้ไปได้เลย <c oughs> ขอให้พากันตั้งอกตั้งใจ เวลานี้ศาสตร์สนาของเราถูกกิเลสเหยียบย่ำทำลายคุกรามเข้ามาโดยลำดับลำดับเฉพาะพระของเราก็หดย่นเข้ามาถูกกิเลสตีต้อนเข้ามาต้อนเข้ามาจนจะไม่มีพระเหลืออยู่ที่เหลืออยู่ก็มีตั้งแต่หัวล้นล้นศีรษะล้นล้นแล้วก็ผ้าคลุมหัวศีลธรรมภายในใจและความประพฤติ ถูกกิเลสกลืนไปกินหมดเป็นความชั่วช้าหลามกเร็วสามไปตามกิเลสเสียทั้งนั้นมองดูแล้วไม่น่าดูฟังไม่น่าฟังความคิดภายในใจต่อภิกษุหรือสามเณรองใดก็คิดด้วยความเครือบแขลงสงสัยคิดด้วยความอิดหนานละอาใจยเพราะความไม่ละอายบาปของพานดนรูปนั้นๆ น, น, นี่คือกิเลดตื่นเข้าไป ฮิริโอตปะไม่มีภายในจิตใจเลยแล้วการดูดดื่มกับพิเลตนั้นไม่มีวันมีคืนดูดดื่มได้ทุกวันทุกวันเพศเป็นพระผ้าเหลืองคุมทิตะแต่จิตใจเป็นคารวะจิตใจเป็นโลกเป็นสงสารจิตใจเป็นกิเลสสาะแสวงหาตั้งแต่เรื่องพิเลตตั้หาตั้งแต่ตื่นนอนมาแทนที่จะสอแสวงหาอัหาธรรม กลับกลายเป็นการเสาะแสวงหากิเลสตัณหาที่จะมาเผา ห, หัวใจตัวเองและทาความกระทบกระเทือนให้แก่ผู้เกี่ยวข้องมากน้อยไปเป็นลำดับลำดานี่เรียกว่าโทษของกิเลสที่เผาพระเผาเนรเราจนจะไม่มีพระเนรเหลืออยู่แล้วด้วยความเป็นพระเนรที่มีศีลมีธรรมจะมีแต่พระเนรหัวลนโลรูปร่างของพระของเนรแต่ภายในนั้นบนรรจุ ไว้ด้วยสวมด้วยฐานคือ <c oughs> ความไม่มีรีโอตปาตัวสะดุ้งกลัวต่อบาปมารยาการแสดงออกมีแต่ฟืนแต่ไฟด้วยอำนาจของ เ, อเทวดาเผาผลาญไปหมดตัวเองก็เดือดร้อนคนอื่นมองดูแลสแลงตาแสแงงใจเราไปที่ไหนเราปฏิบัติไม่ดี <c oughs> เราอย่าไปตาหนิใครให้ตาหนิตัวเองผู้ปฏิบัติไม่ดี ตัวเองก็ไม่ไว้ใจตัวเองคนอื่นเขาจะพอใจเห็นพอใจได้ยินได้ฟังสนใจกับเราได้อย่างไงตั้งแต่ตัวของเราก็หมดสาราไปแล้วลีลศาสนาเสื่อม <c oughs> เสื่อมที่ต้นใหญ่หลักใหญ่คือพระเนนเราซึ่งเป็นผู้นำของชาวพุทธทั่วประเทศไทยอยู่ที่ใดไปที่ใดสร้างบ้านสร้างเรือนที่ใดต้องผูกบ้านผูกอําต้องสร้างวัดสร้างวา เชียงข้างกันไปทุกบ้านทุกเหลือนแปลงความอุ่นแต่จิตใจของเขาแต่แล้วพระเนรก็ทำความเลวแหลกแบกแนวทำให้เสียน้าใจแก่ประชาชนที่เขาพยายามก้าวเดินตามและตามและกราบไหว้บูชาอย่างนี้เสียหายมากนี่เราเป็นหัวหน้าไปที่ไหนเย่นอย่างท่านตั้งหลายมาที่นี่ก็มาจากบ้านนั้นบ้านนี้เนี่ย ใปนบ้านไหนเราก็เป็นสมภารเจ้าวัดเป็นพระเป็นเนใ น, ในวัดในบ้านนั่นๆเราตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติตัวให้เป็นพระที่ดีเนนที่ดีเราก็ชุ่มเย็นเป็นสุขประชาชนชาวบ้านเขามองเห็นเขาเกิดความเชื่อความนมใสปัจจัยทยทานมีมากน้อยออกมาจากจิตใจที่มีความคารพเรื่มใสถวายทานพระเนนไม่โอหังขาดแทน เขาก็ชุ่มเย็นด้วยการให้ทานของเขาพระก็อยู่ผาสุขเย็นใจด้วยมีปัจจัยทานเป็นเครื่องอุดห น, นุนนี่ก็สนับสนุนกันไปอย่างนี้เรียกว่าด้วยความเป็นธรรมพระเนนเราอยู่ที่ไหนขอให้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติตัวเองเป็น <c oughs> ที่ร่มเย็นแกตัวเองและเพื่อนฝูงในวงวัดอย่าทะเลาะเบาแว้งกัน แล้วประชาชนทั้งหลายเขาก็จะมีความอบอุ่นไว้วางใจบ้านมีมากเท่าไรวัดมีมากเท่าไรพระเนรมีมากเท่าไหร่ยิ่งสร้างความอบอุ่นเย็นใจให้แก่ชาวบ้านมากเพียงนั้นเพียงนั้นนี่เรียกว่ า, าศาสนาจเจริญเจริญในพระในเรนรแล้วก็จเจริญกระจายออกไปหาประชาชนเมื่อกูบาอาจารย์เป็นผู้ดี เป็นผู้รักศีลรักธรรมเป็นที่น่าเคาเรพเลื่อมใสแต่เราจะไปเป็นคนอันธพาลหน้าด้านไปทำความโชช้าหละมกไม่ละอายครูบาอาจารย์นี้เป็นปัญยาคนเราครูบาอาจารย์ดีอยู่แล้วพอเราเลือึกถึงท่านก็เกิดความละอายเอเกิดความละอายใจไม่อาจทำบาปได้มีอยู่เยอะนี่ละเพราะครูบาอาจารย์เป็นแม่เหล็กขนนขัญพอเราเลือลึกถึงท่านเท่านั้น ก็เกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาในครั้งนี้ก็มีอันหนึ่งที่จะมาเล่าให้พี่น้องทางหลายฟัง <c oughs> มีลูกจิตเขามาเล่าให้ฟังเป็นความจริงมีคนคนหนึ่งที่เขาเกิดความเชียดแค้นกับเพื่อนของเขาเชียดแค้นถึงขนาดที่ว่าถือปืนไปเลยทีเดียวจะไปฆ่าคนนี้โดยไถ่ยเยาวเท่านั้น เป็นอื่นไปไม่ได้เพราะเครียดแช้นสุดกําลังแล้วก้าวเดินไปมุ่งที่จะฆ่าโดยทายเดียวนี่ก็รู้สึกว่าเห็นไหมล่ะเขามีอุปนิสัยนะ <c oughs> ตั้งหน้าตั้งตาจะไปลงนรกทั้งเป็นคือจะไปยิงเพื่อนตายแล้วเราจะตายที่ไหนแล้ไม่สําคัญขอให้ได้ฆ่าคนที่เราเครียดแช้นถึงใจมากๆนี่ให้ได้ฆ่าอย่างถึงใจเราเป็นที่พอใจก <c oughs> ้าวเดินตามทางไปตามทางไป อยู่อยู่หลวงปู่มั่นเรานี่แหละไม่ทราบมาจากไหนพูดขึ้นที่ต่อหน้านั่นเลยทีเดียวยดนจังก้าอยู่ที่หน้านั่นมองไปพอมองเห็นก็ความเคารพอยู่แล้วเนี่ยพอมองเห็นท่านก็ทักกระตุกอย่างแรงเลยนี่จะไปตกนรกหลุมไหนนี่นะท่านว่างั้นนะว่าจะไปตกนรกหลุมไหนนี่น่ะ พอว่างั้นก็ก้มกรงกราบทิ้งปืนในเวลานั้นกราบเสร็จแล้วกลับมาทันทีถือคนที่ว่าเป็นที่เชียดแช้นนั้นกลับมาเป็นมีดเป็นสมยัยจะเป็นเป็ น, ปนมีดเป็นสมยัยพึ่งเป็นพึ่งตายตั้งแต่บัด น, นั้นมาเขาทิ้งปืนเลยนะเขาไม่ทําอะไรอีกอย่าว่าจะไปฆ่าผู้ฆ่าคนแม้แต่สัตว์เขาก็ไม่ทํานี่ก็เพราะอํานาจแห่งความดีของหลวงปู่ม่านเห็นไหมล่ะ ท่านบรรณาภาพจากไปแล้วยังมาแสดงปฏิหารให้คนพอมีนิสัยอยู่บ้างได้รู้เนื้อรู้ตัวไม่เช่นนั้นคนนี้เขาก็จะไปฆ่าคนแล้วเขาจะไม่ได้อะไรแหละเขาให้สมใจที่ว่าฆ่าคนได้ขณะเดียวกันเขาก็ลงนรกจะสมใจไม่สมใจเขาก็ต้องลงแน่ๆท่านจึงมาทักเอาเดี๋ยวนั่นเลยว่ามายืนจังก้าอยู่ต่อหน้าท่าน ว่านี่จะไปตกนรกหลุมไหนนี่น่ะท่านว่างั้นเพียงเขานั้นสรดสังเวชทิ้งตุม้มปืน ท, ทิ้งปืนตุ้มแล้วกราบแล้วเดินกลับบ้านเลยนี่เห็นไหมอํานาจแห่งความดีของกูบาอาจารย์แสดงให้เห็นแม้ท่านล่วงไปแล้วก็ยังมาแสดงปฏิหารให้คนพอมีอุปนิสัยได้รู้ตัวรู้ตัวแล้วแกก็เลยไม่สร้างบาปมาตั้งแต่บัด น, นั้นอย่าว่าแต่จะฆ่าคนแม้แต่สัตว์แกก็ปล่อยเลยไม่เอา ตั้งแต่บัดนั้นมาแก้เป็นคนดีด้วยอำนาจแห่งความดีของหลวงปู่มั่นนี่จึงได้ยกมาให้เป็นคติตัวอย่างแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายได้ยืดเป็นหลักเป็นเตนในการที่มีวัดมีวาแต่ละแห่งละหนพระเนนที่อยู่ในสถานที่ใดขอทำตัวเป็นผู้มีสีมีธรรมสมบูรณ์แบบตามเรื่องของพระอย่าให้มีเรื่องของ โลกของสารของกิเลสตันหาเข้ามาเจอ่ยนในเรื่องของพระกิริยากรท่าทางการพูดการจาการประพฤติปฏิบัติของพระให้เป็นเรื่องของพระผู้มีสีมีธรรมล้นล้วนผู้นั้นจะมีความสงบร่มเยน็นบ้านใดมีพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบประชาชนรู้สึกว่ามีความอบอุ่นถึงเขาจะมีความทุกข์ความจนขนาดไหนก็เป็นธรรมดาของโลกอ น, นิจจง ไปที่ไหนย่อมมีความมั่งมีสีสุขมีความเสียหายล่มจมพักแพกไปตามๆกันนั่นแหละมันมีอยู่ทั่วโลกแต่ขอให้จิตใจมีความสงบร่มเย็นเป็นที่พอใจนี่เป็นสำคัญมากที่สุดเนี่เราเป็นพระเป็นเดนปฏิบัติตัวให้สมภูมิของเราว่าเป็นพระเป็นเดนเต็มสัดเต็มส่วนแล้วเราอยู่ก็เย็นใจในตัวของเรา วัดวาของเราต่างองค์ต่างปฏิบัติศีลธรรมด้วย <c oughs> ความมุ่งมั่นต่ออัดต่อธรรมต่อแดนพ้ทนทุกด้วยกันแล้วสถานที่นั่นพระเนรที่นั่นวัดนั้นย่อมเป็นที่สงบร่มเย็นเนื้อกระจายออกไปที่ไหนเกี่ยวข้องประชาชนญาติโยมเขาก็เป็นสี่มงคลเรียกว่าสมณะนั้นจะดัดส้ส น, นังการเห็นสมณะผู้มีความสงบกายว า, จายใจ จากบาปจากกรรมทั้งหลายย่อมเป็นมงคลอันสูงสุดนั่นว่าเอตมังคารมุตมะนี่เขาได้เห็นเราด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสถึงเราไม่ได้เป็นสมณะดังที่ว่าสมณะที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่นั่นก็ตามเป็นสมณะผู้สงบกายวาจาใจเป็นผู้สํารว์ระวางตนด้วยศีลด้วยธรรมเพียงเท่านี้ก็เป็นมงคลแก่เขามากมายนี่แล้ว เขาก็ได้บุญได้กุศลเต็มเม็ดเดต็มหน่วยเราก็เป็นผู้ทรงอัดส่งรามไว้ไปที่ไหนก็เป็นมงคลแก่เราตลอดไปวัดมีมากเพียงไรบ้านใดเมืองใดมีวัดมีวามีพระมีเนนตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติตามศีลธรรมที่บูรเจ้าทรงบัญญัติไว้เรียบร้อยแล้วความสวยงามความอบอุ่นจะมีอยู่ในสถานที่นั้นที่นั่นตลอดประชาชนญาติโยมจะรู้สึกมีฮีโอตประไาย ต่อบาปต่อกรรมได้เพราะอํานาจแข่งครูบาอาจารย์และวัดนั้นเป็นวัดที่ปฏิบัตดิดีปฏิบัติชอบคนไม่ค่อยจูนใจต่อบาปต่อกรรมจนเกินเหตุเกินผลก็ลมีฮีโรตประปะประจําใจมีกลัวบาปกลัวกรรมเพราะถือครูบาอาจารย์เป็นหลักใจเป็นแม่เหล็กเครื่องดึงดูดจิตใจให้สะดุ้งตัวรู้บาปลู่กรรมนี่เป็นอย่างนี้ <c oughs> นี่ละการปฏิบัติถิ่นธรรมจึงเป็นเรื่อง สำคัญอยู่มากสําหรับพระเราอยู่ที่ไหนขอให้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบชอบยาลุ่มๆรอนๆสุ่มสี่สุ่มห้าให้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติตามหน้าที่และเพศของตนเพศของเราเป็นเพศของพระโลกจะเจริญหรือเสื่อมอะไรเป็นเรื่องของโลกเรื่องของพระจะเจริญหรือเสื่อมเสื่อมที่การปฏิบัติทำไม่ไหนหรือไม่ปฏิบัติทำไม่ไหนโลกเสื่อม เออศาสนาเสื่อมเสื่อมที่ตัวของพระของเนรศาสนาจเจริญเจริญที่พระที่เนรมีความรักใคร่ใฝ่ใจกับศีลกับธรรมศาสนาเสื่อมเสื่อมที่พระเนรไม่รู้ไม่มีฮีโร่ตาปะไม่สะดุ้กลัวต่อบาปเรียกว่ามองดูตัวไม่เห็นทั้งทั้งที่เป็นพระเป็นเนรทั้งองค์มองเห็นต่างเรื่องกิเลสให้มันใสก็ไปไฟนรกเผาทั้งเป็นทั้งเป็นอย่างนี้มีมากต่อมากนี่ ให้เราระมัดระวังต่างคนต่างปฏิบัติแล้วเราจะมีความสงบร่มเย็นก <c oughs> ารปฏิบัติอยู่ในป่าที่ต่างๆกันดังที่ท่านต่างหลายได้มาที่นี่ผมก็เคยได้ไปเห็นแล้วตามสถานที่ต่างๆนั้นเป็นที่เหมาะสมในการบำเพ็ญสมณธรรมสมกับเพศของพระบวชมาแล้วเพื่อบำเพ็ญสมณธรรมงานของพระคืคออะไร ผู้ตามงานที่ถูกต้องตามศาสนธรรมของฤาษีเจ้าอย่างแท้จริงแล้วงานของพระก็คือว่าพอบวชออกมาแล้วก็ลูกขมูลเสนาสนังนิสาจะประพชาตาทะเตยาวะชีวังอุซาห้กรณิโยนี่คืองานของพระพอบวชไปแล้วก็ให้ท่านทั้งหลายไปอยู่ตามถาตตามร่มไม้ในป่าในเขาตามถ้ำเหมื้อผาหรือป่าช้าป่าโลหิต ที่แจ้งรอมฟังอะไรก็ที่เป็นที่สงบแล้วก็ขอให้อยู่บำเพ็ญเพียรในสถานที่นั้นตลอดชีวิตเถิดนี่คือสถานที่อยู่ของพระนั่นการอยู่ในบ้านท่านก็ไม่ปฏิเสธเพราะวัดบ้านย่อมมีคามาบาศีอรัญญบาศีให้ต่างคนต่างอยู่ไม่มีการกระทบกระเทอือนใครอยู่ในบ้านก็ปฏิบัติศีลธรรมผู้อยู่ในป่าก็ปฏิบัติศีลธรรมไม่มีอะไรผิดถูกด้วยกันทั้งนั้นแหละ มันผิดที่คนผิดอยู่ในป่าก็ผิดอยู่ในบ้านก็ผิดถ้าผิดจากศีลจากธรรมแล้วเกิดความกระทบกระเทือนแก่เพื่อนแก่ฝูงทั้งเขาทั้งเหล่าทั้งใกล้ทั้งไกลไม่ว่าวัดป่าว่าบ้านกระทบกระเทือนกันไปเกิเรื่องเกิดเรื่องขึ้นมาอันนี้ไม่ดีทั้งวัดป่าทั้งวัดบ้านนั่นแหละถ้าต่างคนต่างปฏิบัติดีวัดป่าก็พระวัดบ้านก็พระต่างคนต่างปฏิบัติศีลธรรมก็เป็นธรรมด้วยกันทั้งบ้านทั้งป่านั่นนี่ในขั้งุฏิการ ท่านจะมีว่าอย่างนั้นท <c oughs> สนี้ผู้ที่อยู่ในป่านี่เราสอนสำหรับผู้ที่อยู่ในป่าตามที่พระองค์ทรงสแสดงไว้แล้วว่าคามวาสีให้อยู่ตามสถานที่ฉนั้นอันนี้คือสถานที่บำเพ็ญเรียกว่าสำนักงานของพระพระมีที่ทำงานที่ไหนคารวา์เขาก็มีตึกรามบ้านช่องที่เขาทำงานเป็นไ้เป็น น, า เ, น, นาเป็นสวนเป็นบริษัทห้างร้านต่าง เป็นที่ทํางานของทนทั่วไปทารวาสเขามีงานทําสําหรับ ท, ทางพระเรามีงานอะไรทํางานของพระสถานที่ทํางานของพระท่านก็สอนไปแล้วว่าลุกขมูรเซนาสนังในป่าในเขาซึ่งเป็นที่โลือกบีบตีตัวจากภัยทั้งหลายมีรูปเสียงเส็ยงเลอดเครื่องสัมบัตตต่างๆไม่มาครุกเค้าวุ่นวายได้สถานทึงนั่นเป็นที่บําเพ็ญได้เป็นอย่างดีเพราะสงบสงัดกําจัดสิ่งขร้าระมก ที่จะมาจุนจ้านได้เป็นอย่างดีเนี่ยที่งานของภา ค, คืออะไรเนี่ยท่านก็สอนเข้ามาหางานงานจริงๆที่จะทำในฐานที่ลัง่าวนี้คืออะไรท่า <c oughs> นสอนว่าเจรสาโลมานขาทันตาตะโจกผมขนเล็บฟันหนังนี่งานทั้งห้าประเภทนี้เป็นงานที่สำคัญสำคัญมากสำหรับผู้ที่จะลือถอน ตนออกจากทุกโดยถ่ายเดียวฉะนั้นจึงถืองานนี้เป็นสำคัญเจสาก็คือผมโลมาคือขนนักขาคือเล็บตาโจคือฟันโอทันตะคือฝันตาโจคือหนังทั้งสี่ ส, สามสี่ห้าประการนี้แหละแอนสิ่งที่ปิดบางจิดของผู้บวชให้มืดมิดปิดตามมอง หาศีลหาธรรมไม่เจอให้แยกแยะสิ่งเหล่านี้ออกนี่เป็นงานของพระเราจะอธิบายเพียงแ ย, แยกแยกเท่านี้ให้เข้าใจเท่านั้นให้ที่คายสิ่งเหล่านี้อยู่เป็นประจำ <c oughs> นี่เรียกว่างานของพระเดินจงกรมก็เจสาลูมานขาธันตาตะโตเมื่อยังไม่มีความสว่างทางด้านปัญญานํากรรมฐานทั้งห้านี้บทใดก็ได้เข้ามาเป็นบริกรรมสําหรับสมถะธรรม เพื่อความสงบแก่ใจด้วยทำเหล่านี้มานำมาบุรีกรรมแล้เมื่อจิตมีความสงบเยือกเย็นแล้วก็นํำทำเหล่านี้แหละที่คายขยายไปด้วยทางปัญญาก็กลายเป็นงานทางปัญญาไปเวลาอยู่ในความสงบก็งานเหล่านี้สิ่งเหล่านี้ก็เป็นงานเพื่อความสงบของใจให้มีความสงบเย็นใจเพราะอาศัยสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องบริกรรมเมื่อจิตมีความสงบเย็นมากขึ้นไปแล้ว ก็พอควรแก่วิปัสสนาคือเรื่องปัญญาจากที่ใครผมขนเล็บปันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้ปูนขยายเข้าไปทั่วสันพางร่างกายทั้งเขาทั้งเรวตลอดแดนโลกฐานเป็นแบบเดียวกันนี้หมดให้แจงข า, าขาวดำกระจ่างขึ้นภายในปัญญาแล้วจะค่อยปล่อยวางปล่อยวางสิ่งที่เป็นพาละอันกวดทรวงที่เรียกว่าอุปทานนี้ออกจากใจได้เป็นลาดับลาดาเพราะ อ, อํานาจแห่งปัญญาสามารถ <c oughs> นี่เรียกว่างานของพระ ท่านทำงานขัางพุทธการท่านทำอย่างนี้ท่านทำอยู่ในป่าดังที่กล่าวนะงานของท่านคือเหล่านี้เองเมื่อได้สำหับธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วมาปฏิบัติเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเดินจงกรมเราจะเดินก็คือเดินกลับไปกลับมานั่นแหละดังที่เคยเห็นอยู่แล้วทุกวันนี้ไม่จำเป็นต้องสอนกันให้มากนะ นั่งสมาธิคือนั่งสงบใจเดินจงกรมก็เพื่อเพื่อความสงบใจเมื่อใจอยู่ในที่ควรจะอยู่ในขั้นสงบนั่งสมาธิก็สงบใจเมื่อใจอยู่ในขั้นที่ที่ควรสงบถ้าใจออกทางด้านปัญญาเดินก็เป็นปัญญานั่งอยู่ก็เป็นปัญญาใจจะไม่สงบอยู่ในฐานที่ว่าเป็นความสงบในสมาธิจะออกก้าวเดิน ทางด้านปัญญาพิจารณาที่คลายตั้งแต่ผมผลเลียฟฟันทั่วแดนโลกธาตุเป็นปัญญาเพื่อปล่อยวางโดยสิ้นเชิงนี่เรียกว่าปัญญาเดินอยู่ก็พิจารณาตามขั้นภูมิของใจตัวได้ขั้นใดภูมิใดผู้ที่อยู่ในควรจะเป็นในขั้นสงบก็ให้คาทํำค า, าบริกรรมความสงบมัดใ จ, ใจิตใจที่มันเคยดีดดิ้นอยู่ตลอดเวลานั้นให้เข้ามาสู่ธรรมคือความคือคําบริกรรม มีสติสตางติดไว้กับใจของตนเสมอนี่เรียกว่าทำงานนั่งภาวนาก็บริกรรมทางานอย่างนี้เดินจงกรมก็ทางานบริกรรมอย่างนี้เรื่อยๆไปนี่เรียกว่างานของพระงานอันนี้เป็นงานเพื่อถอดเพื่อถอนกิเลสตัญหาซึ่งนำกองทุกมาเผาเราตลอดเวลาให้ค่อยจางไปจางไปเมื่องานอันนี้หนักเข้าหนักเข้า เครื่องมือทํางานของเราก็มีหลายประเภทเช่นสติอันชติเป็นภาคพื้นสําคัญมากนะถ้าจะนําทําความเพียนประเภทใดก็ตามสตินี่แว้นไม่ได้เลยสติเป็นภาคพื้นสําคัญเช่นบริกรรมก็ให้สติติดแนบกับรมบริกรรมจะบริกรรมคําใดให้มีสติติดแนบอยู่ยกับนั้นไม่ให้เถลอไปไหนเลยนี่เรียกว่าการภาวนาด้วยความมีสติแล้วจะเกิดผลขึ้นมาแก่งานของตน ที่นิพพุทพูดถึงเรื่องออการเดินจงกรมก็แบบเดียวกันไม่ว่าจะนั่งไม่ว่าจะเดินเดินจงกรมทําความเพียรท่าใดต้องมีพื้นฐานคือมีสติเป็นพื้นฐานของใจตลอดเวลาเนี่ยสติเป็นสําคัญมากทีเดียวในความเพียรทั้งหลายอยู่ที่สติตั้งแต่ภาคพื้นก็คือสติเป็นสําคัญก้าวออกไปจิตเป็นสมาธิสติก็ติดแนบอยู่กับ สมาธิก้าวออกปัญญาสติก็ยิ่งมีเป็นความเฉลียวก็ยิ่งมีความีความละเอียดละออติดแนบไปกับปัญญาสติปัญญาจนกลายเป็นอันเดียวกันนี่เรียกว่าสติเป็นพื้นฐานตลอดนะสตินี้ปล่อยไม่ได้เลย mm hmm. ตั้งแต่พื้นๆจนถึงขั้นปัญญาปัญญามีความเฉลียวฉลาดสามารถขนาดไหนสติยิ่งติดแนบติดแนบจนกลายเป็นสติปัญญาอัตโนมัติ <c oughs> คือทางานไปด้วยกัน ไม่แยกจากกันคือสติปัญญาโสมารถของท่านผู้ภาวนาถึงเข้าถึงขั้นภาวนามยปัญญานิระภาวนามยปัญญาปัญญาที่เกิดที่เกิดขึ้นจากการภาวนารุ่นลวนได้แก่สติปัญญาโสมารถของผู้บำเพ็ญทั้งหลายเมื่อถึงขั้นนี้แล้วก็รู้ตัวเอง<ม>แก้เคล็ดเป็นลําดับลาดาไป ไม่มีรถนาวาสอกกันเลยแหละทั้งวันทั้งคืนเดินเดินตั้งนอนเว้นแต่หลับเท่านั้นผู้ถืเก้าวเขาถึงขั้นสติปัญญาโนมานี่กลมคืนเป็นเดียวกันไปต ล, ลอดถึงมหาสติปัญญาไปจากมสติปัญญาโนมัตินี่แหละเชื่อมโยงกันไปเชื่อมโยงกันไปจงกระทั่งเก้าวเขาสู่มหาสติปัญญามหาสติมหาปัญญานั้นซึมราบไปเลยสติปัญญาโนมานี่ถ้าเรา ถ้าเรียกว่าฟันก็เรียกว่าเราฟันเป็นปักปักปักปั ก, ปกเป็นท่อยเป็นคําไปนะแต่มหาสติมหาปัญญาได้ซึมทราบเลยไม่มีคําว่ายาําวัดสับแต่ปักแต่แปกนะนั่นเรียกว่ามหาสติมหาปัญญาออกจากหัวใจผู้ปฏิบัติพระพุทธเจ้าสอนไม่ทุกอย่างแล้วขอให้พากันนํามาปฏิบัติให้ได้มักได้ผลนี่วันนี้พูดเพียงย่อๆทุกอย่างทุกอย่างให้บรรดาพระลูกพรหลานทั้งหลายพากันเข้าอกเข้าใจ บวชมาแล้วไม่ได้ชมมากชมผลไม่ได้ชมมักผลนี่พานี่แม้มันเสียเกียรติจริงๆนะพระเรานะบวชข้ามาไม่ได้ทำอะไรการอยู่การจริงการใช้การสอยปัจจัยทั้งสี่พบประชาชนยากโยมเขาอุ้มไว้หมดเลยชีวิตของพระในความเป็นอยู่ปูวายเนี่ยเขาอุ้มไว้ทั้งประเทศไทยของเราเนี่ยไปที่ไหนเออคนชื่ว่าชาพูดชาพูดแล้วเขา เขาไม่อาจด้านตานใจและการทําบุญให้ฐานอยากทําอยู่เสมอนั่นแหละผู้ที่เรารับทานเขานะั่นมันเป็นคนประเภทไหนนี่ที่มันน่ายิ้หานอาใจเราต้องทําตัวของเราให้ดีไม่ต้องกลัวเรื่องจะอดตายเอาภาวนาลงไปพิจารณาลงไปท่านต่างหลายจะเห็นแดนอัศจรรย์ขึ้นที่หัวใจพระพุทธเจ้าประลิพานไปนานสักเท่าไหรก่ก็ตามมาสองพันสรอห้าร้อปีอันนั่นเป็นการสถานที่เวลําเวลา พระ ส, สัญลักษณ์ที่วันนี้ผานนั้นก็เป็นเรือนร่างของพระพุทธเจ้าเรือนร่างของศาสดาได้แก่พระจิตที่บุยสุดหลุดพ้นแล้วนั่นคือศาสดาองค์แท้จริงอันนี้เป็นเรือนร่างของศาสดาท่านผ่านไปเมื่ อ, อไหร่ก็เหมือนเราท่านท่านนี่แหละใครอยู่ที่ไหนก็ตายได้ได้วยกันทางนั้นแหละพระพุทธเจ้าก็ต้องตายได้เหมือนเราแต่ธรรมภายในใจของพระพุทธเจ้านั้นเรียกว่าเป็นศาสดาเอกแท้แท่นั่นคือธรรมแท้ได้แก่ média. พระจิต ึงได้แจ่ใจนี่ไม่ตายนี่แหละศาสตราอ์เอกแค่อันนี้แหละเราปฏิบัตินี้จะเห็นศาสตาอุเบกที่ใจของเราบรรลุธรรมก็เป็นขั้นๆตามแนวทางของท่านที่สอนไว้เรียบร้อยตั้งแต่ภูมิการบําเพ็ญสมณะธรรมไปตั้งแต่ฝึกหัดดัดแปลงจิตใจของเราด้วยคําบริกรรมภาวนามีสติตั้งมั่นใจมีเสมอจกนกระทั่งมีใจมีความสงบเยอดเยี่ย จากสงบเยี่ยเงเยินใจก็เข้าสู่เป็นสมาธิแน่นหนามั่นคงความสงบกับสมาธิต่างกันในภาคปฏิบัติความสงบสงบหลายครั้งหลายหนที่ท่านเรียกว่าจิตรวมจิตรวมแล้วสงบสงบลงไปรวมหลายครั้งหลายหนก็สร้างฐานขึ้นมาเป็นสมาธิได้กลายเป็นความมั่นคงขึ้นภายในใจนี่เรียกจิตเป็นสมาธิแยกออกจากสมาธิแล้วก็ออกไป็นทางด้านปัญญาพินิจ พ, พิจนามีมเจสามาเป็นต้น พีข่ขายขยายออกไปจงกระทั่งกระจ่างแจ้งถึงมาหาฤทีมหาปัญญาวิมุตต์หลุดพ้นไปจากธรรมของพระเจ้าที่สอนไปแล้วนี่ทั้งนั้น ส, สดสร้อนๆเราทําที่ตัวของเรามรรคผลทิพผานจะมีที่ไหนมีอยู่กับตัวของเราสมาธธรรมก็อยู่ที่ใจของเราสมาธิธรรมก็อยู่ที่ใจของเราที่สร้างขึ้นมาสร้างขึ้นมาปัญญาครุกขั้นก็มีอยู่ที่ใจของเราที่สร้างขึ้นมาจนกระทั่งวิมุตต์หลุดพ้น พระพุทธเจ้าไม่ไม่ได้เรียกเอานะค่าจ้างลางบันกับพวกเราโม่งมาให้พวกเราทงนั้นเป็นสมบัติของเราล้นๆพระเจ้าเป็นเป็นศาสตราดาวองคยใหพอทุกอย่างแล้วให้เราปฏิบัติพุทธศาสนานี่เป็นศาสนาตลาดแห่งมรรคผลนิพพานสดสดร้อนๆรอเสมอสำหรับรอผู้ปฏิบัติธรรม ทำเหล่านี้จะแสดงแต่ผู้ปฏิบัติแต่ผู้ไ้ปฏิบัติแม่จับชายกีบอนพระพุทธเจ้าอยู่ก็ไม่เห็นเกิดผลเกิดประโยชน์อะไรเลยตายชิ้นต่อเบานั่นแหละถ้าผู้ตั้งใจปฏิบัติทําเป็นอากาลิโกไม่มีกล้ามมีไก่ไม่มีในมีนอกแอบทำ ล, ล้วนๆตลอดเวลาผู้เจ้านิพพานไปกี่ปีก็ตามทำคือทำเราปฏิบัติทำอยู่กับตัวของเราทำก็เกิดขึ้นที่เราเรามีความสุขความเยินพระพุทธเจ้านิพพานแล้วในครั้งนั้นเอาเราบริสุทธิ์เราก็ เป็นความบริสุทธิ์ขึ้นภายในใจของเรานี่พานได้เช่นเดียวกับบุญแก้วนั่นแหละทำนี่ให้ความเส ม, มอภาคเส ม, มอกันหมดนั่นแหละพากันตั้งอกตั้งใจพาลูกพาหลานเราันเวลานี้กําลังจะเรวขึ้นไปโดยลําดับนะพระกรมมฐานเราค่อยหดข้อยยนเข้ามาลืมเนื้อลืมตัวเลยกลายเป็นเรื่องพระตื่นโลกตื่นทุสารก็ไปทุกแง่ทุ่งหงวลน้นเวลานี้ โรคเขามีเป็นโรคอย่างนั้นมาตั้งเดิมตั้งแต่กลับไหนกันใดก็เป็นโรคเป็นกิเลสทั้งมวลมาตลอดเวลาทำละมาปฏิบัติตัวของเราให้เป็นธรรมตลอดเวลาเช่นเดียวกันยึงสมกับว่าทำชำาทําระกิเลสให้ชําระที่ตัวของเราเนี่ยรักษากายวาจาใจของเราให้บริสุทธิ์โดยลําดับด้วยความท่าเพียนตั้งหน้าต่างตาประพฤติปฏิบัติ <c oughs> ยาเลินเลิกเผลิดติตยาตื่นโลกตื่นนงสารมันจะกลายเป็นกรรมาฐานแบวกแนวนะ จะไม่มีกรรมฐานที่แท้จริงติดเนื้อติดตัวอะไเลยสรสุปสองเบสนะขอให้พี่น้องลูกหลานทั้งหลายท่านเห็นทั้งหลายที่เป็นลูกเป็นหลานตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติกําจัดความภาคกําจัดกิเลสออกลุกจากด้วยความภาคเพียนของเราอย่าอยู่เฉยๆกินเฉยๆเห็นโลกเขาทําก็เป็นทํำยังไงก็เป็นไปตามโลกเขาเสียเป็นตะโลกเดียวให้กิเลสฉุดลากคอไปก็เวลาศีลทำไม่มองจะไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยนะ แล้จะโหดย่นเข้ามาโหดย่นเข้ามาขั้นต่อไปต่อไปก็ไม่สนใจกับมรรคนิพพานจากนั้นไปแล้วกับมรรคนิพพานไม่มีก็มีแต่ฟืนแต่ไฟคือกิเลสปัญหาเผาหัวพระหัวเนรเต็มบ้านเต็มเมืองแข่งคารวาะเขายิ่งเผาร้อนยิ่งกว่าคารวะเขาที่คือพระเนรที่หาดีฮิโอตะปะความสะดุ้งกลัวต่อบาปไม่ได้บวชมาหาหัวร้อนร้ น, นกินข้าวกินน้ําเข้ามาแล้วทําหน้าที่การงานไปกับกิเลสทั้งหมด ไม่ได้สนใจในอัดในธรรมซึ่งเป็นงานของพระนี่เลยนั่นใช่มาได้นะขอให้พากันตั้งหน้าต่างตาประพปฏิบตัติเวลานี้ทิ่เลศมันคือคลานเข้ามาในวัดในวาเรามากขนาดไหนตั้งแต่ก่อนเราไม่เคยมีหลวงตาบัวบวชมานี้ก็เห็นได้ชัดๆแต่ก่อนไม่เคยมีวิชาทางโลกวิชาทางกิเลสที่กระแทกเข้ามาในวัดในวาในพระในเลนนะวิชาธรรมเป็นวิชาธรรมรุ่น วิชาทางโลกทางสารเขาเขาเรียนวิชาทางโลกโรงร่าโรงเรียนมีแม้จะมีอยู่ในวัดก็มีแต่เด็กเขาไปเรียนตั้งแสต้นหนังสือเราวิชาที่เขาเรียนอยู่นั้นไม่ได้เข้ามาแทรกในวัดในมาวิชาพระเป็นวิชาพระวิชาธรรมเป็นวิชาธรรมวิชาทางโลกวิชาทางวิเดชเป็นเรื่องโลกเป็นเรื่องวิเดชไปไม่มาคลาสเข้ า, ขากันนะแต่เวลานี้เป็นยังไงมันคลาสเข้ากันมาได้หมดเห็นไหมวิเด็กมันคืบคลานก็มาเหยียบหวัวพระหัวเนียน หัวเนนก็หัวผ้าหัวเนนแล้วก็หัวต่ํำซะด้วยแล้วก้มให้มันเหยียบเยอาเหยียบเอาเหยียบเอานั่นเรียนอดเรียนทำไม่ได้สนใจกับอดกับทำยิ่งกว่าสนใจกับพี่เล็ที่เรียนเป็นคู่เคียงกันไปเรียนธรรมะประหนึ่งเรียนธรรมะนั้นเรียกว่าเป็นฐานเหยียบพึ่งของพิเลสเรียนธรรมะก็จริงแต่จดจิตใจไม่ได้สนใจกับทำยิ่งกว่าสนใจกับพิ่เลสคือวิชาทางโลกทางสารเรียนเพื่อสอบชั้นนั้นชั้นนี้แล้วศึกออกไปก็ไปหา หากินเป็นข้าราชการงานบางเป็นบ่อยเป็นอะไรของกิเลสนี่ยก็แล้วแต่เถอะมันเป็นอย่างนั้นใช้เวลานี้ชาสนาวัดกับกับบ้านโดยทักเข้ากันอย่างนี้วิชาทางโลกกับวิชาทางธรรมซึ่งแต่ก่อนก็ไม่เคยมีเวลานี่มีแล้วถ้าผูต้ตํามหลักความจริงอะไรมีสมบูรณ์ด้วยการทุกอย่างแล้ววิชาทางธรรมก็สมบูรณ์แบบซึ่งองค์ศาสดาสอนแล้วอย่างสมบูรณ์ไม่มีลายโบกคร่องวิชาทางโลกเขาก็สอนกันมาไม่บกคล้องเช่นเดียวกัน เหตุใดจึงต้องเอาวิชาทางธิเลตการหาทางโลกสารเข้ามาเหยียบย่ําทําลายศาสนาศาสนาบกท่องที่ตรงไหนถ้าไม่ใช่คนที่ถือศาสนานี่ดีดดิ้นเป็นบ้าหน้าด้านไปหาวิชาทางโลกเข้ามาเหยียบย่ําทําลายตัวเองและศาสนาให้แหลกเหลียวไปเท่านั้นก็ไม่เห็นมีอย่างไรที่จะพูดนะเวลานี้เป็นอย่างนั้นแล้วนะแหลกเลี้ยกันไปหมดมิหนาท่ำหนังตั้งวิทยาลัยขึ้นมาดูที่มิเชนหลายป่าผู้เจ้าก็ ทงตั้งมาแล้วตั้งแต่ตอนให้ว่ายุกขโมเส้นนาสนังปฏิบัติตนอยู่ในป่าในเขานี่เรียกว่ามหาวิไลป่าถ้าเราจะตั้งชื่อเป็นมหาวิไลนะพระพุทธเจ้าสําเร็จเป็นพระศาสดาขึ้นมาสอนโลกนี้ออกมา จ, จ, า, กจากมหาวิไลป่าบรรดาพระสงฆ์สาวกทั้งหลายที่ก็ไปศึกษาอบรมกับพระเจ้าสัมฤทธิ์ออกมาองค์นี้เป็นสําเร็จเป็นโสดาสนี่สําเร็จเป็นสกิสาคาองค์นี้สําเร็จเป็นอนาคา องค์นี้สําเร็จเป็นรหารออกมาจากมหาวิทยาลัยป่ามาสั่งสอนสารโลกโจนพวกเราทั้งหลายได้ประกาศอย่างต่งแจ้งมาเป็นเวลานานแล้วอ่ะสังข ang นังกระฉามีนี่พระสงค์เป็นสารณะที่พึ่งของเราคือพระสงค์ที่อยู่ในป่าสําเร็จมาจากป่าเป็นพระโสดาสกิทาอนาคาทหารมาทั้งนั้นทั้งนั้นมาเป็นพระนาพวกเรานี่มหาวิทยาลัยป่าแต่เวลานี้ก็ตั้งเป็นมหาวิทยาลัยบ้านขึ้นมาแล้วมหาวิทยาลัยสงฆ์นะ มหาวิทยาสงตั้งขึ้นมามีแต่วิชาทางโลกทางสงสารเต็มมหาวิยาลัยนั้นเรียนก็เรียนไปพอเป็นพื้นเป็นฐานที่เหยียบขึ้นของวิชาทางโลกทางที่เลตตันหาทั้งนั้นแหละพระก็ปไปเรียนวิชาทางโลกกันทั้งนั้นไม่สนใจกับวิชาทางธรรมนี่มหาวิเลยบ้านไปอย่างนั้นเราจึงเรียกว่ามหาวิยาลัยป่าคือไปวิชัยของพระพุทธเจ้านั้นเป็นมหาวิเลยพระสังสารที่เหลตให้ขาดจะบ้านออกไป นำอมะตะมหานิพพานเป็นความมืดสุดเต็มภูมิเข้ามาครองใจแล้วกลับมาเป็นมหาวิทยาลัยบ้านมหาวิทยาลัยบ้านนี่เป็นมหาวิทยาลัยที่เด็ดสังหารพระมีเท่าไรแหลกหมดแหลกหมดมันมีอะไรเหลือเลยแล้วเราก็ยังจะพากันแข่งขันตั้งกันอยู่เหรอมันน่าคิดไหมเรื่องเหล่านี้เราตั้งปัญหาขึ้นให้ผู้ใหญ่ทั้งหลายได้คิดบ้างนะเป็นยังไงศาสนาของเราอย่างศาสนาของเราเจ้ากนบกพ้องมาอย่างไรบ้างไมไ่เคยบกพร่องทําไมจึงต้องมาทํากันอย่างนี้ สิ่งใดก็ดีด้วยกันศาสนาเต็มบัดเต็มภูมิของศาสนาที่องค์ศาสดาสอนมาตั้งแต่ดร่ำเดิมแล้วโลกเขาก็มีโลกอยู่งั้นต่างอันต่างมีสมบูรณ์ภูิผลประการไม่เห็นอะไรที่จะมาค้าเขาพอมาบีบบีบไฟไฟเผากันกลายเป็นเรื่องไฟของยิเรศไฟของโลกองสารมาเผาศาสนาเผาอาัดเผาทำเผาพระเผาเนนในวัดให้แหลกกันไปหมดอย่างนี้มันนค้างิดตามอัดตามทำ ม, มันไม่สมควรอย่างยิ่งนี่เราพูดเป็นกลางกลาแล้วพูดนี้ไม่ผิด เพราะเรียนมาแบบเดียวกันนะเรื่องทำเป็นทำเรื่องโลกเป็นโลกถ้าใครอยากจะไปศึกษาทางโลกก็เอาปากไปนะเรื่องอย่าให้มันเสียเกียรติของศาสนาประหนึ่งว่าศาสนานี่บกพร่องต้องไปหาวิชาทางโลกเข้ามาส่งเสริมจะนี่ศาสนาสมบูรณ์ปูนผ ล, ล, ลทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแล้วหามาเหยียบย่าทำนะลายไหนเราไม่อยากพูดว่าหามาส่งเสริมมันส่งเสริมที่ไหนไมีแตรมาเหยียบย่าทํำลายปาดออกอย่าให้เขามายุ่งผู้ศรีเรียนศาสนาเอาเรียนลงไป ถ้าปฏิบัติลงไปให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยตามศาสดาองค์เอกที่สอนไว้แล้วตั้งแต่พื้นพื้นนี่ตั้งตั้งแต่ศีลสมาธิปัญญาอบรมภาวนาลงไปเอ้าตั้งการตั้งตาปฏิบัติตามต่างศาสดาที่สอนไม่เรียบร้อยแล้วนี่ศาสนธรรมของเจ้าจะเป็นโมคะจริงๆเหรอเวลานี้มันเป็นโมคฆะแต่พวกเราเนี่ยเป็นตัวโมคฆะเองศาสนาเต็มอัดเต็มถามเลิศเลอมาแต่การไหนไ แต่พวกเรามันเป็นโมคาฆะนั้นเอาศาสนาเข้ามาก็มาก็เหมือนเอามาประดับคนตายพระเนนที่ตายอยู่ในวัดในวานั่นแหละมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเพราะมันไม่สนใจในอดในธรรมดิ้นไปตายไปกับกิเลสตัณหาไปเสียหมดหี้วก็หาคำหนีว่าศาสนาไม่มีคุณมีค่ามันจะมีคุณอะไรก็คนหมดหมดคุณค่าแล้วคนตายมีคุณค่าที่ไหนมันมีคุณค่าแต่คนเป็นสําหรับผู้ที่ตั้งตาหน้าตั้งตาปฏิบัติแก้ไขตัวเองจากชัวช่วช้าละโมกข์ทั้งหลายให้เป็นคนดีมันก็ดีได้ นี่เป็นอย่างนั้นนะศาสนาสมบูรณ์แบบมาดั้งเดิมแล้วมาเปลี่ยนมาพลิกมาแพงอะไรหาอะไรพิจารณาดูแล้วมันก็ไม่มีเห็นเหตุนั้นผลว่าจะเป็นผลประโยชน์อะไรขึ้นมาจากการที่เอามหาวิทยาลัยมาตั้งขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยบ้านแล้วเอาวิชาทางโลกสังสารที่เหลือตัญหาเข้าเข้ามาเป็นมหาวิทยาลัยทั้งทั้พระพานั่นแหละเป็นเจ้าของมหาวิทยาลัยนะแล้วพระนั่นแหละเข้าไปศึกษานะั่นแล้วพระเหล่านี้นนบกพร่องที่ตรงไหน ยิงต้องไปศึกษาวิชากิเดษถ้าต้องการวิชาของโลกของสารก็ออกไปที่ศึกอากไปถ้าต้องการที่จะศึกษ า, าธรรมเพื่อมากเพื่อผลเพื่อความดีงามสำหรับตนแล้วให้ศึกษาธรรมอาวุธเจ้าไม่เคยบกพ้องแต่ไหนแต่ใดมามันบกพร่องแต่ตัวของเรามันเสือกไปหาอย่างนั้นเองเพราะฉะนั้นมันถึงแลวลงทุกวันทุกวันาศาสนาเนี่ยไม่มีสักพิเลสไปที่ไหนมีแต่เรื่องของกิเลสดูพระทั้งองค์จนดูไม่ทุจนดูไม่ออกแล้วนะเวลาเนี่ยศีล ส, สมาธิปัญญาไม่ร ท, ท, ทราบที่ไหนขี้แยท่าทางการคพปฏิบัติ หน้าที่การงานกลายเป็นเรื่องของโลกของกิเลสไปหมดมันจะไมมีเรื่องของเอาทํามิดหัวผาหัวเห็นนเวลานี้มันจะมีแต่เรื่องของกิเลสยี่บเอาเหยียบเอ า, เอาทางโลกเขากำเบียดาัหนึ่งเาไม่ต้องพูดโลกเขาเป็นโลกของกิเลสอยู่แล้วไปพูดหาอะไรสําหรับพระเราที่จะมาซักฟอกทา ร, ร่างตัวเองให้เป็นคนดีคนดีพระดีพระดีกลับกลายเป็นพระซ่วมพระฐานเอาหัวชนเข้าไปในส่วมในฐานเต็มไปหมดตั้งแต่ชี้นั่นมันเป็นของดีแล้วหรือ คือจิตใจสนใจกับทางโลกทางสารทางกิเลสตัหาไม่สนใจกับบาตรกับธรรมแล้วก็มุ่งหน้ามุ่งตาจนเป็นกิริยามยากความข้นขวายเต็มไปทางไปทางโลกทางสารกิเลสปัญหาไปเสียทั้งหมวลแล้วมันจะไม่สศกกระบอกได้ยังไงไปหาอะไรหาเรามหาอธรรมต้องหาธรรมที่ทหากิเลสต้องออกไปอย่ามาบวชให้หนักศาสนาบวชมาให้หนักศาสนาเปล่าเปล่าบวชมาแล้วเอาวิชาสางโรณมากินอาศัยข้าวชาวบ้านเขากิน บวชที่ไหนจะกินที่นั่นที่เรามาทำไร่ทำนาไม่เปลี่ยนไปบินสบายเขาก็ให้ฐานมาทั้นกินแล้วก็เรียนวิชาทางโลกทางสารทางที่เด็ไปเสียทั้งหมดไม่สนใจกับสีกับธรรมเลยมันเข้ากันได้หรือกับนักบวชตามาศาสนธรรมที่สั่งสงอนไว้นักบวชเป็นประเภทใดมันก็เห็นอยู่ด้วยกันนี่นักบวชประเภทใดที่สั้นเป็นคนดีคนดีเป็นสาร้างพวกเราถ้าไม่ใช่นักบวชแบบแบบนี้อย่างพวกเราอาศัยข้าวชาวบ้านเขาไปกินแล้วก็ไปสร้าง ตัวด้วยความละมกตกเปรตมันดูกันได้มาได้พระขั้งพุตรการท่านตั้งหน้าต่างตาปฏิบัติตามศีลธรรมจริงๆแล้วก็ทรงมักสงบนขึ้นมาให้เราตั้งหลายได้ประกาศกล้องมาจะก้ตั้งตวันนี้ว่าสังขถังธนาจามินี่ท่านผู้ที่ตั้งหน้าต่างตาปฏิบัติตามเพศของพระหน้าที่ของพระเจตนาของพระจริงๆก็กลายเป็นธรรมขึ้นทั้งองค์ท่านทั้งองค์ท่านนชาตินาสอนไว้แล้วด้วยความถูกต้องอาจทำบกพร่องที่อย่างไหนเล่าเชือกไปหาอะไร ถ้าต้องการโลกให้เป็นไปตามโลกเขาสิยามาทําศาสนาให้หมัวหมองจงกระชั้งศาสนาจะมีเหลือนั้นเวลานี้ที่เรียกเยียบแหลกเยียบแหลกฮันเป็นยังไงเปลี่งนกันแล้วผู้ที่มาตั้งเหล่านี้ไม่ใช่คนโง่นะเป็นหัวหน้าหัวหน้าทั้งนั้นมาตั้งเหล่านี้นะมาตั้งหาอะไรเด็กองมือเขากันมาตั้งเพื่อสําราญศาสนาตั้งแบบนี้น่ะผู้ใหญ่มาทําอย่างนี้มันควรแล้วหรืออันไหนที่ดี เอาสงเสริมศาสนาก็ตั้งขึ้นมาสิอันนี้มันไม่ได้ใช่การส่งเสริมศาสนามันการเป็นการเหยียบย่ำศาสนาทํากิจใ จ, จของเราให้ต่าลงโดยลาดับลาดาไม่ได้สูงขึ้นนะ จ, จิตใจถ้าถ้าใย ไ, ไปทางโลกรางสารต้องต้องต่ำลงต่ำลงถ้าใยเนี่ยทำปัดเรื่องโลกรางสารออกสนใจในศีลในธรรมของพระของเนรหน้าที่ของตัวเองตลอดเวลานี่คือพระเนรที่ถูกต้องสมบูรณ์ท่านพุทธเจ้าก็สอนไปแล้วโดยสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างให้พากันตั้งใจนะพระเนนเราเหล่านี้ก็เหมือนกัน ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติให้ฟังเสียงนะแล้วจะเอาตั้งแต่ขีเล็มาเป็นศาสตาแทนพระพุทธเจ้าจะโจมกันทั้งบ้านทั้งเมืองทั้งวัดทั้งวานะถ้าเนรเราก็จะไม่มีเหลือหน้าเมลานี่นะมันสร้างตั้งแต่ความนรกตกเปรตเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มวัดเต็มวาไปที่นี้มองเห็นท้าเห็นเนรมีแต่ส้วมแต่ฐานด้วยกิริยาไมยาติการประพฤติตัวเป็นส้วมเป็นฐานเพราะเลิศเถอะหาศีลธรรมติดตัวไม่ได้เลยจะว่าสะอาดได้อย่างไงถ้าตั้งตัวจะ ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติตัวเป็นความสะอาดด้วยศีลด้วยธรรมแล้วอยู่ที่ไหนสบายหมดอยู่ที่ไหนสะอาดหมดยิ่งอยู่ในป่าในเขาด้วยแล้วนั่นยิ่งสะอาดพระที่สะอาดพระที่มีความสงบเปลี่ยนใจคือพระผู้ที่ตั้งใจปฏิบัติตัวอยู่ในป่าในเขาดําเนาไพรอดยาขาแฉนไรไม่สนใจขอให้ได้ปฏิบัติตัวด้วยความด้วยปฏิบัติตัวเต็มเม็ดเต็มหน่วยตามศีิงทําธรรมเท่านั้นเป็นที่พอใจของพระผู้มุ่งอาดมุ่งทำ แล้วก็ตักตวงขึ้นมาเรื่อยสิทำทั้งหลายก็โคลนโกยคุ้เสียขุดค้นหาธรรมทำมีอยู่ทําไมจะไม่เจอเมื่อเราหาธรรมรำต้องเจอหากิเลสต้องเจอกิเลสหาธรรมต้องเจอเพราะกิเลสกับธรรมเกิดในใจดวงเดียวกันแล้วเอื้อมไปทางไหนนี่เรามาบวชเป็นพระมุ่งหาอัธยาธรรมผู้ยเสียขุดค้นมาสิหาอัธยาธรรมอืมหิริโอตปะตั้งเป็นพื้นฐานวายมีความละอายต่อบาปต่อกรรมนี่ก็เรียกว่าแสวงหาธรรมแล้ว และอุตส่าห์พยายามรักษาศีลขอ้งตนให้ดีอย่าให้ด่างพร้อยขาดทะลุมันจะใช่ไม่ได้นะเลวไปหมดเขาไม่มีศีลก็ไม่เลวนะไอ้พระเนเรามีศีลแต่ศีลขาดเร็วกว่าพระพละว่าท์เขาอย่าให้มีในพระในเนของเราข้าชี้นาทําลายศาสนาไปโดยตรงนะไม่ว่าต้องไม่สังว่าดโดยอ้อมนะตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติกนะารปฏิบัติศีลธรรมเป็นความดีงามมาตลอดตั้งแต่บุรุเจ้ามาจนระทั่งบัดนี้ทําไมเราปฏิบัติไม่ได้ กลายเป็นภัยต่อเราแล้วถือกิเลสเป็นคุณอย่างนั้นเหรอนี่แล้วพวกมันจะจมทั้งเป็นพวกหน้าด้านพระเนรเราหน้าด้านขึ้นทุกวั น, ท, วนทุกวันนะเวลานี้นะไม่ได้สนใจกับบัตรกับทมไปที่ไหนในโกเเก๋ะนี้ไม่ดีกล้องติดคอไปเลยห้อยคอไปแล้วโก้โเกะนะกล้องติดคอเป็นพระเจ้าชู้พระขุนนางเอ่าอยากให้เขานับถือหรือน่ารับถือชี้หมามอะไรภาษากล้องอยู่ไหนมันก็มี อดอยากอะไรศีลธรรมต่างๆเป็นของเล่นเลือกล้องอามาอวดทําไมภาษากล้องศีลธรรมคือศีลสมาธิปัญญาวิชาวิมุติหลุดพ้นนี่คือธรรมชาติประเสริฐอันประเสริฐแท้คือกล้องวิมุติหลุดพ้นส่องได้หมดทั่วแดนโลกธาตุพระพุทธเจ้าท่านทรงมาส่องโลกธาตุโล ก, กวิชูคืออะไรทรงรู้แจ้งโลกแจ้งตลอดทั่วถึงทั้งโลกนอกโลกในตลอดทั้งห น, าน้าโกเปอสุรกายสตรีสารนิพพานเห็นหมดนี่กล้องพระพุทธเจ้า กล้องเรานี่มันมันกล้องอะไรกล้องนาะโลกตกแต่กล้องพระขุนหางพ ร, รพระเจ้าวดพระดาวเถียมยักษ์โอ้ยักษ์บวชนี่ใช้ม่ได้นะในกล้องแล้วจากนี้ไประไรวางอดีนะพวกเรานี่เราจะบอกอย่างชัดเจนน้องตาจวนจะตายแล้วนะสิ่งที่เป็นภัยต่อพระกรรมฐานของเราคืออะไร <c oughs> หนึ่งหนังสือพิมพ์นี่เป็นสื่อเป็นสารข่าวข่า ว, ข, าวของโลกโลกีเขาเขาปฏิบัติตามเรื่องของเขาไม่ผิดไม่ถูกเป็นเรื่องของโลก แต่เราจะมายุ่งเหยิงวายนี้ขัดกันกับผู้เข้ามาบวชในพุทธศาสนาส่อแสแทงหาอาธิธรรมปาดอารมณ์ของโลกให้หมดเช่นนักสืบพิม์เป็นข่าวของโลกเป็นข้าสืบต่อธรรมปาดออกวิทยุกันเหมือนกันนี่ก็เป็นข่าวคร า, าวของโลกเรื่องราวใกล้ไๆที่ไหนเขาประกาศกันลั่นอยู่นั้นเป็นเรื่องของโลกเรื่องของธรรมประกาศอยู่ในตัวของเราชาติปีติปุขาชร า, าปีติปุขามานันปีติปุขังอริยสัจอย่างนี่ธรรมประกาศอยู่ในตัวของเราดูข่าวนี่สิอ่ ความเกิดแจกเก็บตายและที่เด็ดตันหาความโลภความโกรธราคาตันหาประกาศกล า, างวานอยู่ภายใจิตใจของเรามันทําให้เราดิดเราดิด่นเป็นบ้าอยู่นี่เพราะความโลภความโกรธราคาตันหาเนี่ยเนี่ยเอาดูข่าวนี้สิข่าวมันเป็นยังไงข่าวนี้ข่าวนี้ข่าวพิรุธที่หายแก้มันลงให้ได้นี่ต้องดูข่าวนี่นะอย่าไปหาดูข่าวภายนอกอย่างนั้นเสียขาดกันมากทีเดียวร้อยเปอร์เซนกับเรื่องเพศของพระเราจากนั้นก็ <c oughs> เทวทัตโทรทัศน์วิดีโดอィィนี่คือค่าศึกต่อพระต่อเนนของเราตเต็มตัวเพราะเป็นเรื่องของโลกล้วนเรื่องนะโกตกเปรตอยู่ในนั้นอยู่ด้วยนะนอยู่ในนั้นพระเนนเราเพิ่งมุ่งหลังเราไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้แล้วอันที่สี่คือมหาเพชฌฆาตนะมหาเพจฌฆาตนี้คือพรานเข้ามาไม่รู้นะมหาเพชฌฆาตคืออะไรโทรศรัพท์มือถื อ, อ ตั้งแต่ค า, ารวาเขาเขาเขาใช้กันเนี่ยเขาก็ใช้ตามแบบคาราวาสหรอแต่เวลาดูแล้วมันก็ขวางตาไปที่ไหนไไโทรศัพท์มือถือกับหูนี่จอกันประหนึ่งว่ามันจะไม่ได้สะแตกเข้านะพวกนี้นะอมันงงมากมันจะไม่ได้กินเข้าเออมัน ม, ม, ม, มันมีแต่จอเนี่ยฮะว่าไงแหมว่าไงจอเนี่ยฮะว่าไงอยู่งั้นนะเนี่ยโทรศัพท์มือถือโลกเขาก็เป็นโลกไม่มีอะไรที่จะ น้าจะมีเขาแต่มันขวางหัวางตาเกินไปมันก็ว่าจบางเหงื่ิใจไหมที่นี่ผ้าเรานะโทรศัพท์มือถือนี่บอกว่าเพชรข้าศขาดคอคอขาดนะนี่สาคัญมากคืบคลานเข้ามาข่าวข่าวอย่างนั้นอย่างนี้ติดต่อกันสื่อสารกันเรื่องราวและสะดวกสบายโคตรพ่อโคตรแม่มาจากไหนจึงมาสะดวกสบายเอาเอ า, เอาจากโทรศัพท์มือถือข่าวพระพุทธเจ้าประกาศมา 2 0 0 0ปีนี่มันไม่มีชิ้นดีอะไรบ้างเหรอจึงไม่จึงไม่มาเอานี่มาพิจารณาของเราฟังนี่โทรศัพท์นี่หัวใจถืออยู่นี่กับรูปเสียงกินรลเครื่องสัมผัสอารมณ์ต่างๆแล้วตาหูจมูกเลี้ยงกายมันสัมผัสสมองตลอดตลอดเวลาจิตที่มันบุ่งหาหาข่าวหาข่าวอยู่นี่ดูหัวใจตรงนี้ทีนี่โทรศัพท์มือถือนี่โทรศัพท์ใจถือสติถือจุดเอาตรงนี้อย่ที่เ่อมนตรงนี้ทำามันเห็นตรงนี้แก้ออกได้หมดนะ นี่ล่ะจำเอาไว้นะอันที่4เนี่ยโทรศัพท์มือถือนี้นับได้หมดไม่มีอะไรเหลือเลยนะอันที่แรกก็มันไม่ได้คิดนะว่าผิดว่าพลาดอะไรเพราะได้โทรศัพท์มือถือเป็นความสะดวกสบายติดต่อสื่อสารกับใครกับใครได้ทั้งนั้นสบายสบายมันกระบวดมาติดต่อสื่อสารกับโลกกับโลกฐานกับสองข้อกระบกโสมองแล้สินั่นอันหนึ่งอันที่สองเวลานั้นแล้วมันจะเอานี้นะโทรศัพท์มือถือนี่ยิ่งพลาด้วยแล้วโทรศัพท์มือถือจ่อเข้ามาก็บีสาวแล้วสิเข้าใจไหม าอยู่ไหนรักกันที่ไหนไหนนัดกันที่ตรงไหนก็ได้ไม่ว่าที่แจ้งที่รับนัดกันได้ตลอดเวลาจากโทรศัพท์มือถือนี่คือเพจคาดมหาสังขมหาเพจคาดให้จํำว่าทุกคนนะพระกรรมฐานไม่ควนเรียกว่าเด็ดขาดเลยอย่างนี้ถึงจะถูกต้องตามเพศของพระท่านยังเอามาเรียกว่าเสียนใบตายไปเลยคนนี้อย่าเอารักษาศาสนาอันนี้ได้แรงมากนะโทรศัพท์มือถือนี่ เป็นสิ่งที่ร้ายแรงมากกับเพศของพระของกรรมฐานเราเป็นขั้นขั้นเ ข, นขมาเป็นตั้งแต่เป็นพระมาไม่ควรอย่างยิ่งสิ่งอนี้เป็นภัยอย่างร้ายแรงโทรศัพท์มือถือให้พากันจมามันนะนี่แหละภัยของศาสนาแล้วก็ภัยของเราถ้าเรานํามาด้วยความเพื่อความผ่อนองไม่ในพินิจพิจารณาอันนี้จะเป็นภัยของเราอย่างมากทีเดียวให้พากันพินิจพิจารณาทุกคนไม่งั้นจมได้นะศาสนาไทยบานคนเล่าศาสนาเวลานี้ ก็เล่าทุกคนพระเนน ท, ทุกอง์เป็นผู้รักษาศาสนาเอามาทําลายอะไรใครก็รู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นไปเอามายุ่งทําไมตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติศีลธรรมให้เลคุณงามความดีเข้าภายในใจชมหัวใจตัวเองด้วยศีลสมาธิปัญญาวิชาวิมุตติปลดพ้นจากกิเลสทุกข์ทุกอยู่ไหนสว่างหมดจ้าไปหมดนะใจนี่การทำอะไรเลิศยิ่งกว่าทำในสามแดนโลกธาตุนี่มีอะไรเลิศยิ่งกว่าทำไม่มีทำนี่เท่านั้นจ้าไปหมด ไม่มีคําว่าคืบวราระสมัยกิเลสมันจะปิ้นป้อนหลวงแบบไหนก็คือถังขยะของกิเลสทําไม่ใช่ถังขยะไม่ตื่นเต้นมิตะสลดสังเวชของไปกับพูดติดชั่วชา้าหลามโงกมื่นน้าซางโหดเกินเหตุเกินผลเพราะฉะนั้นตรงธรรมะใช่ไปเสียเท่านั้นเลยเรื่องธรรมนี้เลิศเลอตลอดเวลาเลียวขอให้ท่านทั้งหลายบรรดาพระเนรพระลูกพหลานให้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติ ตาจากกิเลสต่ อ, อด้วยความเบียดท้องตนให้ถือความเบียดคือการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนานี่เป็นหน้าที่ของพระพระเป็นงานของพระ1้อยเปอร์เซ็นต์นอกนั้นไม่มีนะการต่อการสร้างอะไรนี้มันก็เป็นมันก็เป็นอีแบบหนึ่งถนะ้าผู้ภาวนาแล้วการต่อสร้างเป็นค่าสึกกัน <c oughs> ไม่เข้ากันไม่ได้การภาวนานี่อารมณ์ตัดอารมณ์เข้าม า, มาการก่อการสร้างขยายอารมณ์ออกไป แม้แต่เราสร้างกุฏิสร้างกระสอบหลังเล็กๆเนี่ยวันนี้สร้างยังไม่เสร็จเป็นอารมณ์ทั้งวันแล้วนะตื่นขึ้นมาก็จิตใจก็ไปจ่ออยู่กระกระอบน่ะที่เราสร้างยังไม่เสร็จนั่นเห็นไหมเพียงกระสอบเท่านั้นก็เป็นทัญญารลมตัดทางความภาคเปลี่ยนไปมากขนาดไหนยิ่งจันสนใจกอ่อสร้างนั้นสร้างนี้ยุง่งนั่นยุ่งนี้ไปแล้วิจิตเป็นโลกเป็นสารเป็นที่เดนตไปหมดไม่มีคําว่าเป็นทำติดหัวใจเลยนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านจึง ไม่ได้สนใจกับการก่อการสร้างเช่นอย่างท่านสอนพระเวลาไปเที่ยวกับมาฐานให้ไปหาที่ฐานที่เหมาะสมนะนะถ้าไปที่าาทางสามแฉกสามแยกสีแยกอย่าไปถ้าคนเดินผ่านไปผ่านมาอย่าไปพักอย่าไปอยู่ที่นั่นทางท่าน้ําขึ้นลงนะฐานที่คนขึ้นลงทั้งชายและหญิงก็เลือกไปหาไม่สมควรนั้นไปอยู่นะแล้ววัดใดที่มีการก่อสร้างอย่าไปนะ มีการก่อสร้างจะสร้างแบบไหนแล้วก็ไม่ทราบแต่ตำราท่านบอกว่าอย่างนั้นยาไปเนี่ยแม้ที่สุดต้นไม้ที่ต้นไม้ใหญ่ที่ทรงดอกทรงผลพวกนกพวกกามากินอยู่บนต้นไม้นั้นก็เป็นความกังวลยาไปพักอยู่ในที่เช่นนั้น ห, หาพักในที่สงัดสร้บบญญางด้วยพระพุทธเจ้าหาที่สงัดให้เหมาะสมขนาดไหนพวกเรายังจะหาที่จุนเจ้าวุ่นวายอยู่เหลือมันขัดกับศาสนาของพระพุทธเจ้าขนาดไหนนี่แหละเรื่องการก่อสร้างยิ่งเปน เป็นใหญ่โตมากสําหรับกรรมฐานนี้เหลวหมดถ้าใครเป็นนักก่อสร้างนั่นบอกเฉียนใบเหลวให้เลยผูนะ้ที่ท่านตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติท่านจะไม่สนใจกับการกรอ่อการสร้างอะไรไมีตั้งเตือนงกุนั่งสมาธิสร้างก็สร้างพออยู่พอกินพอเป็นพอไปไม่เหลือเฟือวุ่นวายเป็นเหมือนแบบโล ก, โลกเขาไปนั่นพากันจํามานะลูกหลานไปที่ไหนวัดไหนก็มีแต่รู้หลาฟูฟ้าด้วยการกรอ่อกา ร, การสร้างเต็มไปหมด ไม่ได้คำหนึ่งถึงอัดถึงทมที่จ่ำทรงสอนไว้เพื่อตัดหัวใจที่มันเป็นนักเรื่องนักลาวมันหาแต่เรื่องแต่ลาวยิ่งเอางานมาให้ได้งานแล้วว่างงานเลยงานบ้างานไม่รู้จักจบจากสิ้นนี่นะมันพากันตั้งใจนะอันนี้เนาะนานๆที่จะได้มาสอนอย่างนี่ก็เพิ่งมามีวันนี้แหละได้มาสอนบรรดาพระลูกพระหลานทั้งหลายพากันไปตั้งตั้งใจไบคือปฏิบัติ ก, ากําจัดกิเลส ต, ตามแนวแถวแนวทางที่สอนมาแล้วนี่ไม่ผิด เพราะเอาธรรมของคุณเจ้าสอนด้วยไม่ใช่เอาอย่างอื่นอันใดมาสอนพอที่จะรู้รูกๆทำๆแล้วการสอนบรรดาพระลูกพหลานผมก็ไม่สงสัยด้วยในการสอนพระลูกพระหลานนี้ผมก็ปฏิบัติเต็มกําลังความสามารถมาตลอดมาเป็นเวลาเท่าไหร่แล้วบวชมานี่ก็ได้หกสิบแปดปีเต็มนี้แล้วพวกนี้มันเกิดหรือยังก็ไม่รู้นะั่นมันเป็นหมูเป็นหมาเป็นเป็ดเป็นไก่ หรือเป็นนักสุราอยากมารูปไปหาสุขสิ่งจริงข้าชายที่ไหนก็ไม่รู้หรอกมันยังไ ม, ม, งไม่มันยังไม่ได้เกิดพวกนี้นะเราเกิดมาในตั้งหกทีปดปีนี้แล้วการเรียนก็เรียนมาดังกี่ลูกหลานทั้งหลายทราบจากนั้นก็นออกปฏิบัติก้าวขึ้นสู่เวทีฟาดกับกิเลสตลอดเวลาเป็นเวลาเก้าปีเต็มเนี่ยที่ปฏิบัติมาเพราะฉะนั้นจึงไม่ได้สงสัยในเรื่องอดต่องทำพระเจ้าดังที่เทศมานี้ ได้ผ่านทางปริญญาต์ก็ผ่านมาแล้วผ่านทางบ้าน้าปฏิบัติก็ผ่านมาแล้วภาคปฏิบัติที่ผ่านมันตรงกับปริญญาต์ที่ท่านสอนไว้เรื่องยุ่งเหยองุ่นวายในการก่อการสร้างกล้าเรากันไปภาวนานะภาวนาที่ไหนที่มีเรื่องยุ่งเห่ิงวุ่นวายใจไม่สงบแน่เห็นไหมละ่ะที่มายุ่งเห่ิงวุ่นวายนั้นละสงบใจดีนี่มันเป็นมาอย่างนั้นนะผ่าการตั้งออกตั้งใจปฏิบัตินี่อยู่มันมีตั้งแ ต, งแต่เรื่องของโลกนะเต็มบัานเต็มว่าเวลานี้ เรื่องของพระจะไม่มีงานของพระจะไม่มีนะมีแต่งานของโรคของสารเยียบอยู่ในวัดในวาดด้วยตัวเองก็ไม่ทราบนะไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยเพราะใครก็ใครอะไก็พาธรรมาครูบาอาจารย์พาธรรมาเลยตามร่องรอยกันมาแล้วไม่ทราบร่องรอยผิดหรือถูกเพรวดีประการหนก็ไม่รู้นี่ในเสือนซะบ้างวันนี้นะให้จ้งใจมาขนิพานประกาศกล้องอยู่ในหัวใจเราทุกคนแค่เดียวกับที่เหร่มันประกาศกล้องอยู่ในหัวใจนั่นแหละ กิเลสมันประกาศอยู่ ด, ยด้วยความโลภความโกรธราคาตัญหาไม่มีวันสงบได้เลยให้คุยเขี่ยขุดค้อนธรรมขึ้นมาปราบกิเลสตั้งหลายนี้ทำก็จะกระจ่างขึ้นภ า, ภายในจิตใจของเราจะเป็นผู้คลองกับคลองธรรมแล้วไม่มีอะไรที่จะมีความสุขยิ่งกว่าผู้คล้องธรรมโดยสมบูรณ์นะการเทสนาว่าการมา น, นี่ก็เห็นว่าสมควรแจกการเวลาทาตกันหรืขอความเจ้าดีย่อมีแจ่บรรดา ที่นองทั้งหลายทั้งคันวาสประชาชนญาติโยมโดยทั่วกันนะแล้ววันนี้เทศวันนี้ก็ควรจะมีอะไรเป็นสิี่มงคลมาเพื่อชาติบ้านเมืองของเราเวลานี้หลวงตาก็กําลังช่วยชาติบ้านเมืองของเราด้วยการอุ่นหนุนชาติไทยของเราซึ่งมันจะล่มจมไปเมื่อไม่จี่ปีมานีเวลานี้เราก็รู้สึกตัวแล้วอุษราหพยายามพิ้งเต้นผนขวยท้องคําเราก็ได้ตั้งห้าตันกว่าแล้วนะ ดอลลกก่ากำลังร่งรวมเจลา้ลานเจล้านแล้วสําหรับเงินสดนั้นเราก็เลยนาออกไปซื้อทองคํารวมทั้งหมดเรียกว่าเก้าเก้าอสี่สิบเอล้านนี่นี่ซื้อทองคําเข้าไปเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็ช่วยโลกช่วยโสงศารเช่นสร้างโรงร่ำโรงเรียนโรงบาลต่างดังพี่น้องทั้งหลายเห็นแล้วนั่นแหละนี่ทีนี้มันก็หมดไปแล้วเงินหาใหม่เอามาช่วยกันอีก น, นะใครมีเท่าไหร่เอามาเอามา ทองคำก็อยากได้ดอนหน้าก็อยากได้เงินสดก็อยากได้ไห้ได้มาทั้งสามนี่พอใจหลวงตานะอละพอขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องหลายัังหลายโดยทั่วกันเถอเอหนื่อยเหนื่อยมากเวย